เสียงอ่านหนังสือชีวิตนี้น้อยนักบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกเสียงอ่านโดยโจโฉดนตรีบรรเลงเป็นโนโดยตองพีขอบคุณเป็นพิเศษสําหรับคุณตองพีหรือแบงค์โมดิฟายที่อนุญาตให้นำเสียงเป็นโนมาประกอบกับเสียงอ่านนะครับสภท า, านังธรรมทานังชินาติ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 สงวนสิทธิ์เพื่อธรรมทานแจกปรีเท่านั้นนะครับ